จะทำอะไรมันก็ต้องมีความตั้งใจนะและสิ่งที่ควบคู่กับความตั้งใจคือความอยากความตั้งใจความอยากมันก็ ค, คล้ายกนะันแต่ก็ไม่ใช่เดียวกันความอยากเนี่ยนะมันก็มีสองอย่างนะคืออยากทำกับอยากได้ทราว่าเรามีความตั้งใจแล้วมีความอยากทำเนี่ยมันก็ช่วยให้การกระทำนั้นเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องนะ แต่ส่วนใหญ่คนก็มีความอยากได้มากกว่าแล้วความอยากได้มันก็เป็นแรงผลักดันที่สำคัญให้คนทำนั่นทำนี่รวมทั้งการมาภาวนาหรือการมาปฏิบัติธรรมด้วยหลายคนก็อาศัยความอยากเนี่ยโดยเพราะอยากได้เนี่ยเป็นแรงผลักดันเพราะว่าไม่งั้นมันก็พ่ายแพ้ต่อความ เบื่อนายพ่ายแพ้ต่อความเกลียดครั้นมันต้องมีความอยากได้นะเป็นตัวล่อให้เกิดความเพียนขึ้นมาแต่ว่าในค่ะที่ความอยากได้นะมันทำให้เราลงมือทาหรืออาจจะเกิดความขยันหมั่นเพียรแต่บ่อยครั้งเนี่ยความอยากได้นี่แหละเป็นอุปสรรคทำให้ ไม่สามารถจะได้สิ่งที่ปรารถนาหลายคนเนี่ยมาปฏิบัติเพราะอยากได้ความสงบความอยากได้ความสงบนี่มันก็ผลักดันให้ทำความเพียรแต่ก็กลายเป็นว่ายิ่งอยากได้ความสงบเนี่ยกลับไม่ได้ความสงบเพราะว่ามันไป ทำให้จิตเนี่ยนะเสียสมดุลหรือขาดความปกติไปแล้วพอจิตเสียสมดุลแล้วเนี่ยมันก็ความสงบก็เกิดขึ้นได้ยากโดยพอเมื่อไปพยายามบังคับจิตนะเฉนบังคับจิตไม่ให้คิดนะพยายามไล่บีนะ้ความคิดที่เกิดขึ้น ยาผักไสสิ่งต่างๆที่มันผุดขึ้นมาในใจที่มันไม่ใช่ความสงบรวมทั้งการรู้สึกต่อต้านผักไสสิ่งที่คิดว่ามันจะทำให้ไม่สงบเช่นเสียงเสียงที่มารบ ก, กวนเสียงดังเสียงคนคุยกันไอความรู้สึกลบนี่แหละนะ ที่มันเป็นตัวการทําให้เกิดความหงุดหงิดขึ้นมาจิตใจเลยไม่สงบแต่ที่ความสุกลบเกิดขึ้นได้เพราะมองว่ามันเป็นปฏิปักษ์ต่อความสงบที่อยากได้ยิ่งอยากได้ความสงบก็ยิ่งไปกดข่ม บ, บังคับจิตและยิ่งจิตเนี่ยมันถูกบังคับมันก็ยิ่งดิ้นรนยิ่งพยศเข้าไปใหญ่ มันเหมือนกับวัยรุ่นนะยิ่งไปยิ่งไปห้ามก็มือยิ่งยุยิ่งบังคับก็ยิ่งต่อสู้ขัดขืนถ้าไม่ไปบังคับเขาเขาก็อยู่อย่างสงบสงบแต่ไปบังคับเขานี่มันก็ทําให้เกิดการประยศเกิดการต่อสู้ขัดขืนมันก็เลยเกิดความหงุดหงิดขึ้นมาในใจ ที่จริงเนี่ยการทําแล้วก็ตามเนี่ยโดยเพราะการภาวนาเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องอาศัยความอยากเลยก็ได้นะโดยเฉพาะความอยากได้นี่ไม่มีความอยากได้แต่ก็ได้ขึ้นมาเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เราควรตระหนักนะและที่ได้หรือสิ่งที่ประสงค์เกิดขึ้นเนี่ยก็เพราะว่า ทำตรงตามเหตุตามปัจจัยหากว่าเราสร้างเหตุสร้างปัจจัยให้มันตรงกับกรณีหรือว่าทำให้ถูกกรณีถูกต้องตามเหตุตามปัจจัยอย่าว่าแต่ความสงบเลย น, นะปัญญาที่เข้าใจความจริงของชีวิตขั้าลึกซึ้งเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้เราควรตระหนักนะว่าเนี่ย ไม่ต้องอาศัยความอยากนะโดยเพราะความอยากได้เนี่ยไอ้สิ่งดีดีก็สามารถจะเกิดขึ้นได้นะขอให้ทำถูกต้องตามเหตุตามปัจจัยมมนมีเรื่องราวว่าสมัยที่หลวงปู่มั่นเนี่ยนะท่านยังไม่ได้มีชื่อเสียงมากมีคราวนึงท่านก็ไปทุ่ ด, ดง บนดอยนะทางภาคเหนือแล้วก็มีลูกศิษย์แค่หนึ่งท่านนะตามท่านไปด้วยนะคือพระอาจารย์เทศท่านเห็นว่าบนดอยเนี่ยบรรยากาศสงบเกื้อกูลต่อการภาวนาแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านท่านก็เลยนะกลางกฎนะปักหลักที่ น, นั่น ตั้งใจว่าจะอยู่สักระยะหนึ่งไม่นานแล้วท่านก็จะทุดดงต่อไปหมู่บ้านที่อยู่ใกล้นะก็คือหมู่บ้านชาวเขาหมู่บ้านชาวเขาเนี่ยไม่รู้จักพระนะไม่รู้จักพุทธศาสนาเลยเห็นพระอาจารย์มั่นหรือหลวงปู่มั่นไปบิณฑบาตกับลูกศิษย์เนี่ยก็ถามว่ามาทาอะไร ท่านก็ที่บายฟังแล้วต้องใส่อะไรบ้างท่าก็บอกว่าแค่ข้าวก็พอเพราะว่าชาวบ้านนี่ใส่ข้าวสารนะไม่ได้เข้าสุกนะเพราะว่าไม่รู้เรื่องนะเพราะเป็นชาวเขาท่านก็ไม่ว่าอะไรนะได้เข้าวสารมาก็ก็ฉันไม่ได้นะก็ ต่อหลังชาวบ้านก็เลยรู้นะอ๋อต้องใส่เข้าสุกนะแต่ว่าอยู่ไปได้ไม่กี่วันเนี่ยมันก็มีเสียงลือว่าเนี่ยหลวงปู่มั่นเนี่ยก็ลูกเิษย์เนี่ยที่จริงเนี่ยเป็นเสือเย็นนะเสือเย็นนี่ก้าค่เสือสมิงนะชาวบ้านมีความเชื่อเนี่ยมันมีเสือพวกนี้มันแปลงกายเป็นคนได้แล้วก็ เป็นอันตรายต่อคนนะเพราะว่าสามารถจ ะ, ะ, ะกินคนได้เสือเย็นนี่มาเพื่อที่จะมานะล่าคนไปเป็นอาหารมีข่าวรือบบบนี้ชาวบ้านก็กลัวเนี่ยชาวเขาก็มีคำเตือนเลยนะว่าเนี่ยอย่าให้ผู้หญิงและเด็กเข้าไปใกล้นะพระสองรูปเนี่ย ผู้ชายถ้าจะเข้าไปใกล้ก็ต้องมีอาวุธด้วยและอย่าไปคนเดียวกลัวกันมากนะยิ่งห่มเหลืองด้วยเนี่ยมันก็เหมือนเสือเข้าไปใหญ่ส่วนผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนะหรือหัวหน้า ห, หรือผู้นำชาวบ้านเนี่ยก็ไปด้อมๆมองๆไปสังเกตนะว่าวันๆ น, น, น, นี่ทำอะไรกันบ้างเนี่ยพระสองรูปเนี่ยก็เห็นหลวงปู่มั่นกับลูกศิษย์นี่ก็เดินจงกรม หรือไม่ก็นั่งภาวนาทั้งวันให้นั่งไม่แปลกใจแต่เดินเนี่ยเดิ น, ดนกลับไปกลับมาเฝ้ามองอยู่งั้นเนี่ยจกนกระทั่งเห็นว่าท่านไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยอะไรก็เกิดความกล้านะก็ไปสอบถามหลวงปู่มั่นนะว่าท่านกําลังหาอะไรกําลังเดินหาอะไรหลวงปู่ ม, มั่นก็ตอบว่าเนี่ยกำลังเดินหาพุโทโธ กำลังเดินหาพุโทโธชาวเขาก็ถามว่าเนี่ยพุโทโธมันคืออะไรนะนท่านก็อธิบายว่าเนี่ยพุโทโธคือดวงแก้วที่ประเสริฐชาวเขาสนใจขึ้นมาก็ถามว่าเนี่ยแล้วพวกข้าพวกเรานี่จะเดินตามหาพุโทโธช่วยตูเจ้านี่จะได้ไหมหลวงพุทธมาก็บอกว่ได้เลยนะ่มาช่วยตามหาหน่อย ทำยังไงอ่ะาบอกก็เดินกลับไปกลับมาแล้วก็นึกในใจว่าพุโทโธพุโทโธถามว่าเดินเท่าไหร่ก็เดินสักสิบห้ายีนาทีพอโมบมันแนะนำนะการเดินจงกรมแต่ว่าถ้าไม่ได้เรียกว่าเดินจงกรมนะเรียก ว, ว่าเดินหาพุโทโธหัวหน้าชาวเาวก็ ด้วยความที่อยากจะช่วยนะก็เลยเดินจงกรมตามหาพุโทโธโดยไม่รู้เนี่ยนั่นคือการเดินจงกรมพอใจเนี่ยนึกถึงพุโทโธพุธโทโธนะโดยไม่รู้นั่นคือการบริกรรมเนี่ยพราะว่าเดินไม่นานนี่เจ็บจิตใจก็สงบเย็นสงบเย็นมากเลยเกิดสนใจขึ้นมาหลวงปู่มั่นก็เลยแนะนํา การภาวนาเพิ่มเติมให้ปอกว่าไม่นานนะผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็ถึงขั้นเนี่ยรู้ว่ารจิตของคนที่อยู่ใกล้ๆรู้ว่าใครเนี่ยจิตใจสว่างจิตใจหม่นหมองเป็นที่อัศจรรย์มากไลยชาบ้านฝั่งชาวบ้านก็เลย สนใจนะเดินหาพุทโธกันใหญ่เลยทั้งหมู่บ้านเลยแล้วก็หลายคนก็พบความสงบแล้วก็ได้เข้าใจนะเข้าใจเรื่องของตัวเองจิตใ จ, จตัวเองมากขึ้นก็เลยเกิดศรัทธานะในหลวงปู่มั่นตอนนี้ไม่กลัวแล้วเป็นเสืยเย็ น, นตออหลังก็หลวงปู่ท่านก็เห็นว่าชาวบ้านศรัทธาแล้วก็แสดงธรรมให้เข้าใจพุทธศาสนา เพราะว่าทั้งหมู่บ้านเลยนะก็หันมาเป็นอุบาสกอุบาสิ ก, กาเป็นนับถือพระรัตนตรัยนะเป็นสาสนาชาวบ้านเนี่ยนะเดินหาพุทโธโดยไม่รู้ว่านั่นคือการเดินจงกรมทั้งที่ไม่ได้เดินเพราะอยากได้ความสงบนะเพราะไม่รู้ว่านั่ น, นคือการปฏิบัติเพื่อความสงบ ไม่รู้วนะ่านั่นคือการปฏิบัติทำแต่ตัวเองเนี่ยพอทำไปแล้ววางจิตวางใจถูกนะใจก็อยู่กับการเดินโดยมีการบริกรรมไปด้วยจิตก็นิ่งปรากฏว่าได้ความสงบแล้วก็ได้และคุณวิเศษอย่างอื่นตามมาด้วยอันนี้มันเชื่อหเหลยนะว่าแม้ไม่อยากได้นะแต่ถ้าทำถูกวิธีทำตามเหตุตามปัจจัยได้ถูกต้องเนี่ย เมื่อเกิดผลเหมือนกันไม่อยากได้นะแต่ว่ามีความอยากทำไอ้ที่อยากทำเนี่ยเพราะอยากช่วยอยากช่วยตู้เจ้านะก็เลยเกิดความสงบการภาวนาการปฏิบัติธรรมหรือการทำแล้วก็ตามเนี่ยสิ่งสาคัญเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ที่ความอยากได้จะอยู่ที่การลงมือทำนะแม้ไม่รู้เนี่ยคือการภาวนาแม้ไม่รู้เนี่คือการเดินจงกรมหรือการทำกรรมฐาน แต่สิ่งที่ได้คือความสงบและความสว่างในจิตใจตรงข้ามคนที่ทําด้วยความอยากได้นะพอทําด้วยความอยากได้เนะนี่ยใจเนี่ยมันไม่ได้อยู่กับปัจจุบันแล้วนะใจนี่มันไปอยู่กับอนาคตข้างหน้าคือสิ่งที่อยากจะได้แล้วจะไปบังคับจิตเข้าไปใหญ่นะก็กลับกลายเป็นว่ายิ่งอยากได้ยิ่งไม่ได้ แต่ไม่มีความอยากได้นี่กลับได้นะถ้าว่าปฏิบัติถูกพระเจ้าก็เปรียบเหมือนกับการเหมือนกับแม่ไก่นะที่ฟักไข่เนี่ยถ้าแม่ไก่เนี่ยฟักไข่อย่างต่อเนื่องนะในที่สุดเนี่ยไข่เนี่ยก็ฟักเป็นตัวโดยที่แม่ไก่เนี่ยไม่จำเป็นต้องมีความอยากเลยก็ได้ขอให้ฟักไข่อย่างต่อเนื่องมาถึงระยะหนึ่งเนี่ย แล้วไข่มันก็ฟักเป็นตัวการที่เราจะทําอะไรให้เกิดผลเนี่ยมันไม่ใช่ที่ความอยากและบางทีเนี่ยความอยากหรือเพราะอยากได้เนี่ยมันกลับกลายเป็นอุปสรรคพอไม่อยากได้แต่ทําถูกวิธีเนี่ยมันก็เกิดผลดีขึ้นมาได้นะแล้วนี่คือสิ่งที่พวกเราที่มาสนใจการปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องเข้าใจอย่าปล่อยให้ใจเนี่ยมันไปหมกมุ่นอยู่ความอยากหรือผลที่ประสงค์ จะให้เกิดขึ้นจนกระทั่งไม่ได้อยู่กับปัจจุบันมันก็มีเรื่องนะคล้ายๆทำนองเนี้ยนะเป็นเรื่องของสำนักปฏิบัติธรรมแห่งหนึ่งนะในประเทศจีนเนี่ยนะเป็นสำนักที่มีชื่อมากวันหนึ่งก็มีชาหนุ่มนะมาขอปฏิบัติที่สำนักนี้ ก็มาพาะก่าเจ้าว่าเจ้าว่าก็บอกว่าเนี่ยให้ไปไปที่โรงครัวผ่าฟืนหาบน้ำชาวนเนี่ยก็ผิดหวังนะจะมาปฏิบัติธรรมแต่ให้ไปทำงานที่โรงครัวก็เลยไปที่อื่นเลยนะเพราะว่า ไม่ได้ม า, มาตั้งใจมาที่นี่นยไม่ใช่เพื่อจะมาทำงานผ่าฟืนหาบน้ำฉัน จ, จะมาภาวานาต่างหากต่อมาก็มีชายคนหนึ่งนะก็มาหาเจ้าวาดก็พูด ค, คล้ายๆกันนะว่าเนี่ยอยากจะมาภาวานาเพราะว่าเห็นว่าชีวิตเนี่ยมันไร้สาระอยากจะปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์มุ่งนิพพาน อา จ, จารย์ก็เจ้าว่านี่ก็บอกให้ไปหาบน้ําหาฟืนนะ่ะที่โรงครัวไอ้ฉันนี่ก็ไม่เคยพอใจนะแต่ว่าก็ไปนะแต่ว่าทําไปก็บ่นไปทําไปก็บ่นไปว่าฉันไม่ได้ตั้งใจมาเพื่อมาผาฟืนหาบน้ำํำฉันตั้งใจมาเพื่อภาวนาเพื่อความพ้นทุกข์นะทำไปบ่นไป ได้เจ็ดวันก็ก็หนีเลยนะไม่อยู่แล้วไปถืนดีกว่าเพราะว่าผิดหวังไม่นานก็มีชายหนุ่มคนหนึ่งมานะก็บอกว่าเนี่ยตัวเองเนี่ยนะไม่มีข้าวกินนะรงแคนชีวิตร้านแคน้นอยากจะมาอยู่วัดนะถ้ามีอาหาร พอช่วยประทังชีวิตแล้วก็มีอะไรคุ้มหัวนอนก็พร้อมที่จะทำงานแรกเจ้าวาดก็เลยให้ไปเนี่ยไปเลยนะไปผ่าฟืนหาบน้ำนะชายหนุ่มนั้นก็ยินดีนะเพราะว่าถือว่าเป็นการทำงานแรกกับอาหารแล้วก็ที่อยู่อาศัยก็ตั้งใจทำนะตั้งใจทำไม่มีการบ่นอะไรเลยนะ ใครสั่งอะไรก็ทำทำด้วยความเต็มใจทำไปได้สักสองสามอาทิตย์เนี่ยเจ้าวาก็แนะนำนะว่าให้เนี่ยเวลาทำเนี่ยนะให้ใจเนี่ยอยู่กับสิ่งที่ทำให้ทำด้วยความสึกตัวไม่ว่าจะหาบน้ำป่าฟืนหรือทำอะไรก็ตามนะให้ใจอยู่กับสิ่งที่ทำให้มีสติให้มีความสึกตัว ใจมันเผลอไหลไปไหนก็กลับมาให้กลับมาดูรู้ใจตัวเองเนี่ยในขณะที่ทาชาวหนุ่มคนนั้นก็เนื่องยากเป็นคนว่านอนสอนง่ายนะก็ก็รับไปรับไปทำนะตามคำแนะนำของเจ้าว่า ว, ว่าทำได้ไม่นานนะใจก็สงบเกิดสมาธิแล้วก็เกิดปัญญานะเห็นนะความจริงของกายและใจ อย่างแจ่มแจ้งเลยใจน่ะสว่างเลยเป็นการค้นพบที่เจ้าตัวก็ประหลาดใจชาญองคนนั้นเนี่ยแกไม่รู้ตัวเลยนะว่าเนี่ยที่ที่ทำอยู่เนี่ยคือการปฏิบัติธรรมคือการภาวนาแกไม่มีภาพเหมือนกับสองคนแรกที่คิดว่าภาวนานี่มันต้องนั่งหลับตานะต้องเดินจงกรมเนะี่ยไม่มีเลย และที่ทำในงานในครัวเนี่ยผ่าฟืนหาบนาเนี่ยก็ไม่ได้วังความสงบเลยเลยเพียงแต่ว่าต้องการทำงานแลกกับอาหารแล้วก็ที่อยู่อาศัยแต่ว่าสิ่งที่ทำเนี่ยนะโดยพาะการวางใจเนี่ยของชายคนนั้นเนี่ยนะมันคือการวางใจที่เหมาะเจาะกับการภาวนาก็คือใจอยู่กับปัจจุบัน แล้วก็ทําด้วยความเพียรอย่างต่อเนื่องทำอย่างมีสติและ ท, ทั้งที่ไม่ได้มีความอยากเลยนะไม่ได้มีความอยากจะได้พบกับความสงบหรือความสว่างแต่เนื่องจากวางจิตวางใจถูกนะแล้วก็ทําได้อย่างต่อเนื่องก็กลับได้รับอนิสงส์การภาวนาอย่างเต็มที่เลย บางที่ใช้เวลาไม่กี่วันอันนี้มันก็เป็นตัวอย่างที่ใชื่เห็นนะว่าในการภาวนาเนี่ยมันไม่ต้องอาศัยความอยากแม้สายแม้กระทั่งว่าความรู้นี่คือการภาวนาไม่รู้โดยซ้านะนี่นนคือการภาวนารู้แต่ว่าคิดแต่ว่ามันเป็นแค่การทำงานตามหน้าที่เพื่อแลกกับน้ำ ข้าวและที่พักแต่เพราะวางใจถูกก็คือการสร้างเหตุสร้างปัจจัยนะให้ตรงตามกรณีเมื่อเหตุปัจจัยถึงพร้อมนะผลก็ย่อมปรากฏแม้ไม่อยากหรือไม่รู้แต่ผลก็เกิดขึ้ น, นอย่างปฏิเสธไม่ได้นเวลา เราทําอะไรก็ตามเนี่ยไม่ว่าแต่ภาวนาแล้วแม้กระทั่งการทํางานเนี่ยสิ่งสําคัญก็คือการสร้างเหตุสร้างปัจจัยหรือเ้าเรียกว่าประกอบเหตุให้ถึงพร้อมและถ้าประกอบเหตุให้ถึงพร้อมเนี่ยผลมันย่อมทนอยู่ไม่ได้ผลมันย่อมแสดงตัวออกมาเหมือนกับต้นไม้เนี่ยนะหากว่าได้น้ําได้ปุ๋ย เมื่อถึงเวลามันก็ออกดอกออกผลจะรู้ตัวหรือไม่รู้ก็ตามเนี่ยหมายถึงคนปลูกนะต้นไม้เนี่ยมันก็ออกดอกออกผลในที่สุดมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความอยากไม่ได้ขึ้นอยู่กับความอยากของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงควรประกอบเหตุนะให้มันถึงพร้อม และในบางกรณีเนี่ยจะเรียกว่าส่วนใหญ่ก็ได้นะต้องวางความอยากโดยเพราะอยากได้เนี่ยลงเสียเพราะว่าความอยากได้นี่แหละนะซึ่งก็คือตัณหานี่แหละมักจะเป็นอุปสรรคนะขัดขวางให้การประกอบเหตุเนี่ยมันไม่ถึงพร้อมโดยเพราะถ้าทําเรื่องที่เป็นเรื่องรายละเอียดต อ, อนเช่นเรื่องการบราเพ็นทางจิตเนี่ย เ, เรื่องการเป็นทงจิตเนี่ยมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเพียงแค่มีตัณหาแล้วเกี่ยวข้องกับตัณหาไม่ถูกปล่อยให้มันมารบ ก, กวนจิตใจเนี่ยมันก็ทำให้การประกอบเหตที่จะนำไปสู่ผลเนี่ยเกิดขึ้นได้ยากให้เราเข้าใจตรงนี้นะว่าเนี่ยเวลาภาวนาเนี่ยอย่าไปปล่อยอย่าปล่อยให้ความอยากได้เนี่ยหรือตัณหานี่มันมา เป็นใหญ่เหนือจิตใจของเราวางมันลงได้ยิ่งดีนะเพราะถ้าเราวางมันลงได้เนี่ยการที่จะไปควบคุมจิตเพื่อจะได้ผลอย่างที่ต้องการเนี่ยมันก็จะน้อยลงอันนี้หลวงพ่อเทียนนั่นก็พูดอยู่เสมอนะทําเล่นๆอย่าตั้งใจมากนะอย่าทำได้ความอยากนะเพราะความอยากนั่นแหละจะเป็นอุปสรรคโดยเพราะอยากได้ซึ่งเป็นตัวตันหานนถ้าเราเข้าใจางี้นะก็ ให้เราตั้งจิตอยู่ที่การประกอบเหตุให้ดีใส่ใจที่เหตุอย่าไปกังวลกับผลถ้าเหตุมันถึงพร้อมเนี่ยผลมันย่อมทนอยู่ไม่ได้อาวยืนนิ้พูดท่านนี้นะ